มงคลสามสิบแปดเรก็เรื่องของปราภภวะสุทอันนี้ก็สิบแปดเหมือนกันนะความเสื่อมปราภภวะคือความเสื่อมสิบแปดประการเวลาฟังไปแล้วก็เข้าใจอยู่นะว่าหมายถึงอะไรแต่ละอัน อันหลังในเป็นโลคิยธรรมอันข้างก่อนนั้นมงคล น, นะเขาจะสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆหนึ่งถึงสิบหหนึ่งถึงสิบหก็เป็นเรื่องโลกโลกแต่สิบเจ็ดไปถึงสามสิบแปดก็เป็นเรื่องธรรมะเรื่องการฝึกจิตนั้นเวลาเราสวดมนต์เรา เขาก็จะให้เราจุดเทียนเนี่ยผู้ชาวพรตันตนาฏัตจุดเทียนมงคลตอนที่พระขึ้นอสศวนาสว่างสบ้าง เ, เขาจะพูดว่าสว่างสบ้างตอน น, นโมสามจบตอมโยจักุมาเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องสัมพุทเทวเนี่ย บทสวดเบื้องต้นนี่ยจะธรรมดาแต่พอเขาจะให้เจ้าภาพจุดทูบเทียนเขาจะไปพูดถึงตอนอาเสวนาเมื่อกี้นี่อาเสวนาจะพาราณพระฮู้เทว่ามนุษย์จะมังกลานิจินเตยุงกังคามนาโสท่านังกรยมังกระบุตตะมังอาเสวนาจะพารานังปฎิตานันจะเสวนาการไม่ครบพันคนพาน ับดิตเขาก็เลยจะให้เจ้าภาพจุดทูปเทียนตอนนั้นแหละหรือถ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเรื่องอะไรก็ามจะเริ่มจุดตรงนี้คือเข า, าหงูตาสว่างสว่างนะอย่างงู้ไปนานในความหมายมันคือนั้นนะจงสว่างที่กลางใจจงมีความระลึกรู้จงมีความเข้าใจเรื่องของพุทธธรรม เรื่องของชีวิตเนี่ยเพืออาศัวนาจะพาลานังไม่คบคนผ่านให้ครบบัณฑิตชีวิตที่ผ่านมาเป็นไงเราไปไล่ดูดิเราครบคนผ่านหรือคบบัณฑิตคนผ่านภายนอกก็มีนะภูผมผิานภายในก็มีบัณฑิตภายนอกก็มีบัณฑิตภายในก็มีบัณฑิตภายนอกนี่หมายถึงคนจบปริญญา บัณฑิตภายนอกแต่บัณฑิตภายในนี่หมายถึงคนที่บัณฑิตภายในก็หมายถึงจิตที่เป็นกุศลละธรรมคือสติสัมปชัญญะนั่นแหละสติสัมปชัญญะนี่เป็นเป็นกุศลละธรรมถ้าเราครบสติมันก็ไม่พาโลภโกรธหลงแต่ถ้าครบกับ โสโมหโลภะมันก็ไหลไปสู่ความปรุงแต่งก็ทำให้เกิดเป็นทุกข์อันนั้นเขาเรียกว่าคน ผ, านผ่านภายในแล้วสติสัมปชัญญะนี่ก็คือบัณฑิตภายในคนผ่านภาย น, นอกนี่เราหมายถึงคนไปตกคนนั้นไปตีคนนี้เนี่ยคนผ่านภาย น, น, นอกบัณฑิตภายนอกก็คือคนจบปริญญาอะไรประมาณนั้นท่านจะมีสองแบบเวลาเราศึกษาธรรมเนี่ยมันจะมี มันมีเหลี่ยมนอกเหลี่ยมในเสมอนะทีนี้เราไม่มีดวงตาเราก็จะมองแต่เรื่องของข้างนอกอสวนาการไม่คบคนพานการครบบัณฑิตเราก็ไม่เข้าใจคว่าบัณฑิตคืออะไรบัณฑิตในพุทธศาสนานี่ก็จะหมายถึงคนที่ถ้าเป็นตัวตนนะเป็นคนที่ผ่านการฝึกจิตมาแล้ว รู้ดีและรู้ชั่วมาแล้วของพวกเรานี่ที่ปฏิบัติทำเรารู้ดีนะแต่เราไม่รู้ชั่วเขาว่ารู้ดีคืออะไรมันดีๆเนี่ยเรารู้อยู่ความคิดดีๆเราก็รู้ก็คิดไปทมดีๆชอบความดีแต่พอความชั่วมันปรากฏขึ้นเวลามันคิดแล้วมันจะไปอกุศลและทำเกิดขึ้นเนี่ยในจิตเราเราไม่รู้มันนะ คือไม่รู้ชั่วแต่ดีนี่เราชอบเรารู้สึกแต่เวลามันชั่วนี่เราไหลไปทำเกิดแสโลโภะโทสะโมหะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราไหลเข้าไปมันก็เริ่มจากความคิดดีๆทั้งนั่นแหละก่อนที่มันจะไปคิดชั่วเนี่ยคนทั้งหลายไม่ค่อยรู้นะคนที่มีปัญหาชีวิตในโลกนี้ก็คือมันเกิดจากคนไม่รู้ชั่วนี่แหละ อะไรคือชั่วเราไม่รู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะให้รู้ดีรู้ชั่วแต่จะให้รู้แบบรู้แบบแจ่มแจ้งรู้แบบปรากฏกับจิตเราที่มันสัมผัสได้ภายในบางทีมันก็คิดดีนะคิดดีก่อนน้ากระไหลไหลไหลไปต่อไปมันก็จะเกิดความอึดอัดขัดเคืองความพอใจไม่พอใจขึ้นมาเราไม่รู้เราเข้าไปตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้นะชั่วมาจากาว่าทุศัพด์แปลว่าทนได้ยาก มันทนในอารมณ์นั้นยากทนการประพฤตินี่ยแต่ถ้าดีนะทนได้ง่ายอย่างเนี้ยร่างการนี้นั่งอยู่นั่งอยู่ดีๆนะเ น, นี่ยมันดีนะเนี่ยแต่สมัยมันจะเจ็บปวดเมื่อยขึ้นมามันนั่นคือมันเริ่มชั่วแล้วมันเริ่มอึดอัดละมันเริ่มพอใจไม่พอใจล้แต่ชั่วกับบีเนะี่ยมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดดับโดยธรรมชาติแต่เราจะไปหงุดหยิดกับคนโน้นคนนี้ไปอึดอัดขัดเคืองไปพอใจไม่พอใจทํำไมต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ขึ้นมา เราจะหลงเข้าไปในอารมณ์นั้นนั่นเขาให้รู้จักว่าเราจะคบอะไรอะไรคือบัณฑิตอะไรคือคนผานเสวนาจะพาละนังปันติตา น, นจะเสวนาเสียวนาก็คือการเสด็การคุน้นการคบนะ่ยบูชาจะบูชนียนางเอตมังคารมุตตะมังบูชาบุคคลที่ควรบูชา การบูชาเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่การบูชายักษ์นะในพุทธธรรมเนี่ยบูชายักษ์ยักษ์โขนยักษ์ขีนีคาว่ายักษ์เนี่ยก็คือบคุคคลที่ควรบูชานี่ยแหละผู้เป็นใหญ่ในบ้านในเมืองเขาเรียกว่ายักษ์แบบผู้ที่มีอำนาจเรียกว่ายักษ์ถ้าเราไม่บูชาเขาก็ไม่ได้แต่การบูชาเนี่ยหมายถึงปฏิบัติบูชา ปฏิบัติบูชาคือก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ควรจะเป็นอะไรแหละควรจะเป็นในบ้านเราก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องพ่อแม่ก็เหมือนยักษ์แบบหนึ่งนะเราก็ปฏิบัติตามท่านเราเป็นลูกเราปฏิบัติตามปฏิบัติตามตามหน้าที่ของตัวเองในฐานะที่เป็นคนหนึ่งในสังคมตามหลักของทิศหนะทิศเบื้องหน้าก็พ่อแม่ ทิศเบื้องหลังก็บุตรภรรยาทิศเบื้องบนก็สมณะชีพราหมณ์ก็ใหงความเคารพตามปกติทิศเบื้องล่างข้างล่างเนี่ยก็คือคนใช้คนใช้คนอยู่ร่วมกันเนี่ยมีไหมมีคนใช้มีนะทิศเบือเบ้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องบนเบื้องล่างแล้วก็ บุตรภรรยาด้านหลังนอกซ้ายขวาหน้าหลังบนหน้าถ้าปฏิบัติตามต่อกันดีตามหน้าที่ที่เราควรจะเป็นเนี่ยสังคมมันก็ไม่ทุกข์แล้วเวลาไปอ่านหนังสือฝรั่งเนี่ยเขาจะยกย่องเรื่องทิดฎกนี้มากคือมันเป็นเรื่องที่คิดออกคิดได้แล้วมันก็เข้าใจได้ไง่ายเออพระพุทธเจ้า สอนให้เราปฏิบัติก่บกันในสังคมไม่ทิ้งไม่ปอพอพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเพื่อบรลุเนี่ยฝรั่งมันจะไม่เอาคือเขาไปไม่ถึงเขาไม่ค่อยไม่ค่อยอจะชอบพอเท่าไหร่อย่างประเทศไทยพูดถึงเรื่องการบรลุทําเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของผู้พิเศษวิโสไปซะเรื่องของพระธุดงเรื่องอะไรไปแต่ไม่ใช่ว่าหนทางชีวิตของเราเราไม่ได้คิดอย่างนั้นฝรั่งเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่อง เป็นเรื่องนอกตัวแลว้วางทีถึงว่าเรื่องมันไม่มีเนะี่ยเป็นเรื่องของการหนีสังคมเรื่องอะไรมันมองไปแบบนั้นนะแต่เรื่องของทิศหกเนี่ยเขาจัดนิยมชม ช, มชอบมากมาเป็นการเครือกูลการแบ่งปันการทำหน้าที่อะไรที่ดีต่อกันในสังคมแล้วเราก็ศึกษาดูว่าเออถ้าเราทําหน้าที่ต่อกันเราถามตัวเองที่ตอนนี้เราเป็นพ่อเนี่ยทําหน้าที่ถูกไหม เอารักเกินไปไหมถ้ารักเกินไปแล้วเราก็จะเกิดภาวะที่ไม่ค่อยปกติขึ้นมาต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียซึ่งกันและกันเนี่ยทำหน้าที่ถูกไหมเป็นลูกเนี่ยอยู่ในฐานะเป็นลูกเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอุบาสกอุบาสิการเราทาหน้าที่เราถูกไหม ถ้าไม่ถูกหรือถูกแต่ถูกแค่ไหนเนี่ยถูกในตามระดับสมมุติไหมหรือถูกตามแบบสัจจ์แล้วหน้าที่อันหนึ่งของทุกคนที่ควรมีก็คือหน้าที่ของความเป็นคนคนทุกคนที่เกิดมาในเป็นคนคนเนี่ยมันต้องหยุดคนยกตนขึ้นไปสู่ความเป็นอริยะ เป็นคนเราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นแบบเนี้ยหน้าที่ของเราก็คือทําให้ตัวเองให้พ้นทุกข์ไปถ้ามัวคนอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งเขาที่ชื่อว่าคนนี่เพราะมันกวนนะคนไปนว่ากวนไปเวลเวาคนบนไปจิตเรามันคนอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งมีราคะโทสะโมหะงุนหิตอึดัดขัดเครื่องคิดอดีตอนาคตปรงแต่งมีความดีบ้างความชั่วบ้างสารพัดแต่อยู่ในจิตเราเนี่ยเขารวมเรียกว่าคน บางทีก็เป็นเปรตเป็นนสุรกายเป็นสันนิชานหนึางที่ว่าไปนั่นเองคือมันอยู่ในภาวะของอาการคนมันจะหยุดคนนิดหนึ่งพรเราคิดมันหมุนติวนีเลยเขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารมันทํางานแต่เมื่อไหร่ที่มีสติมีธรรมจักสู่เกิดขึ้นในตัวเราเขาก็เรียกว่าเกิดธรรมจักการหมุนของธรรมะจักธรรมจักคือสติคือสมาธิหรือปัญญาเดี๋ยวนี้แค่สติเราเองเนี่ยมันก็ไม่ต่อเนื่องแล้ะ นั้นมันก็กลายเป็นสมาธิไม่ได้พอมันไม่มีสมาธิเนี่ยมันจะไม่เหมืยนอะไรตามความเป็นจริงเราดูดิถ้าเราอยู่ในอะไรในสังคมเราอยู่ในเป็นฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็ตามถ้าวันไหนที่เรามีสมาธิดีๆเนี่ยจิตเราจะเป็นกลางมากแล้วเราจะมองอะไรตามความเป็นจริงดีแต่เมื่อไหร่ที่จิตเรามีความลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะโกรธเพราะเกลียด ดูนะมันจะไม่ปกติเลยเราจะเข้าข้างฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ขึ้นมานาทีเดี๋ยวนี้เราก็เข้าข้างตัวเองว่าเรากูคือกูไงพอมันเข้าข้างตัวเองเนี่ยมันบริหารชีวิตมันไม่ถูกเพราะภาวะที่เข้าข้างตัวเองเนี่เขาเรียกว่ามิถาทิถิมิถาทิถินะมีความรู้สึกว่าอยากดังอยากเด่นอยากเป็นอยากมีการมตัญหา มีความรู้สึกอารมณ์ทางการภาวะตัณหาก็อยากเป็นอันนั้นอยากเป็นอันนี้วิภาวะตัณหาไม่อยากเป็นเบือ่อน่าอยากเป็นอย่างอื่นในสีเรีัวเองเป็นอยู่นะตัวเองไม่ชอบก็มีอยู่แค่นี้จิตคนนะมีการมีภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันไม่รู้เฉยๆตามความเป็นจริงชีวิตเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไปอยู่กับตัว อคติจิตมันลำเอียงมันเอียงนะมันไม่ตรงเราเมียเพราะรักเพราะชังเพราะโกรธเพราะเกลียดโทสากติโมหากติพย า, าคติอคติสีลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงเพราะกลัวอันนึงกลัวกลัวอำนาจกลัววัฒนานะ กลัวยศฐานรรดาศักดิ์กลัวตำแหน่งกลัวทางเครือญาติกลัวทางวิญวุฒคุณวุฒิเนี่ยมันกลัวไปหมดนะพอกลัวแล้วก็จิตมันก็จะทําอะไรไม่ปกติฉนั้นเราปฏิบัติทำเนี่ยมันจะสลายไอตัวอคตินี่ออกไปจากจิตแล้วเราจะเหลือความเป็นตัวของเราเองที่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้สึกว่าตัวเราก็คือตัวเรานะแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่มันเป็นเป็นภาวะตัวตนที่มันถูกสลายเรียบร้อยแล้วที่ท่านว่าอัตหิอัตโนนาโถเนี่ย ตนแหลเป็นที่พึ่งของตนคือตนที่มันสลายอัตราตัวตนออกไปแล้วนะไม่มีตัวกูของกูเขามายุ่งแล้วภาวะอันนั้นนะ่ะเป็นที่พึ่งของเราได้แต่ถ้ามันยังไม่เป็นบานนั้นเราก็พึ่งกิเลสนะพึ่งความลำเอียงที่เกิดในจิตเราในตลอดเวลาสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราสามารถซักฟอกจิตของเราได้ด้วยการการปฏิบททัติธรรมนะครัทำให้มันเข้าถึงธรรม ให้มันรู้แจ้งในธรรมให้มันชัดเจนขึ้นมาด้วยการทาให้เกิดวิปัสสนานี่แหละแต่ว่าอาการของวิปัสสนาญาณเนี่ยมันเป็นชื่อของปัญญาวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งวิแปลว่าวิเศษแปลว่าต่างเก่าล่วงภาวะเดิมล่วงภาวะการแสวงหาปัญญาทางความคิดเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ความจํา มันไม่ใช่ความคิดนะแต่เป็นความรู้ตัวรู้ตัวนี่ก็คือรู้ตัวแบบแบบเริ่มต้นนะเนี่ยถ้าพูดแล้วไอ้ความรู้สึกเตือที่เรากำหนดรู้ตัวนี่ก็คือความรู้สึกตัวแบบอนุบาลอนนี้เรามาอนุบาลมารักษามาค่อยๆประคับประคองคือมาเนสเซอรี่สติเราเนี่ยให้มันต่อเนื่องยาวนาน ระคบคอแม่อะไรมันมายุ่งกับมันน่ะไม่ความง่วงมายุ่งความเบื่อมายุ่งความคิดมายุ่งให้มันมีแต่ความรู้ตัวล้วนพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เข้าปฐมเมื่อไรที่เราเอามาใส่กันกําหนดรู้เนี่ยเขาเรียกว่าเราอนุบาลจิตแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้กําลังอนุบาลจิตแต่มันก็ไม่ค่อยอยู่เห็นไหมมันชอบไปโรงเรียนหรือยังตัวสติเราเนี่ยยังมันยังไปวิ่นวันวิ่งหนีออกจากโรงเรียนอยู่เลยเนี่ยกายนี้คือโรงเรียน สติเนี่ย ค, คือผู้มาเรียนเนี่ยเอามาดึงมาอยู่กับตัวเองเนี่ยพราะมันไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเรื่อยๆเรยๆมันระลึกรูร้รมากขึ้นให้มันต่อเนื่องโยยทั้งว่ามันชอบอยู่กับกายมันชอบอยู่กับกายภาษาเขาเรียก ว, ว่าสนใจไว้กับกายสนใจสนใจก็คือเหมือนสนสะพายควายนะแทงจมูกวันนี้แล้วก็ผูกไว้กับเสานะ แต่เรามาสนใจสนใจก็คือดึงใจสอดใจเอาสติสอดมาไว้กับกายนี้ให้มันระลึกรู้อยู่กยัยจนกระทั่งว่าเพ้อไม่ได้เลยมันมาอยู่กับกายเองโดยธรรมชาติไปไหนมาไหนก็มีสติระลึกรู้อยู่กับกายเนี่ยกเรียกว่าเนี่ยสติที่เป็นไปในกายเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมถามว่าวันวันหนึ่งเนี่ยจิตเราอยู่กับกายไหมมันไม่ได้อยู่มันไปอนาคตไปอดีตนั่นะ เดี๋ยวไปอดีตเดี๋ยวไปอนาคตไม่ได้อยู่ปัจจุบันทางพระสงฆ์เอกเหมือนบ้าชีวิตนี่นะมันบ้าไปทํากระแสหลยไปทำความคิดนะวั น, ว, นวันหนึ่งนี่ยเขาไปได้พบในชาติยาวมากบางเรื่องก็ยาวบางเรื่องก็สั้นปัจจุบันเนี่ยใครก็ทํามีมิเตอยากได้หน้าได้ตาอยากเด่นอยากดังแต่ก่อนน่ยอยากร่ำอยากรวยได้ไหมอยากเด่นอยากดังจะดีอยากมีชื่อเสียง นะแล้วก็เจ็บปวดมากเดี๋ยวนี้พอมันหลดลงมาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากทุกมากมีชื่อเสียงมากก็ทุกมากเพราะเราไปจิตมันไปติดแต่ความมีชื่อเสียงเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสมมุติให้นะพอหมดสมมุติระดับหนึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงก็เกิดความไม่ชอบใจไม่พอใจเกิดความเศร้าใจง้อยเงานะตอนนี้กระแสเรามาเดี๋ยวกระแสคนนั้นมา มันไปไปมามาเนี่ยสิ่งที่เราทําเนี่ยเราให้ความสว่างกับคนไม่ไม่จริงจริงเราทําเพื่อความไม่เที่ยงนั่นเองทําเพื่อสวยงามหราพายด์ยศหาสารเสิร์นเราทําเพื่อชี้ทางไปสู่คนไหมอย่างการสร้างวัดสร้างหว่าแบบนี้เนี่ยทําเพื่อทําให้คนเกิดปัญญาเก<ม>ิดสติเกิดปัญญาการสร้างเจดีเนี่ย เป็นหมื่นล้านเนี่ยเท่าไม่กับเท่ากับการสร้างมรคลในใจคนคนเดียวไม่ได้นะสู้การสร้างมรคลในใจคนคนเดียวเกิดคนเดียวไม่ไดนะ้เพราะนี่คือการสร้างความเจริญให้กับพระพุทธศาสนาเพราะคนคนนี้ถ้ามีมรคลเกิดในใจเขาก็จะไปสืบต่อเทศแสดงธรรมที่นนทนที่นี่ศาสนามาันก็เจริญคนได้รับผลนะได้รับอานิสงส์ พุทธศ า, าสนาคือเกิดสภาวะรู้แจ้งขึ้นมานเป็นพุทธะแล้วรู้ตื่นเบิกบานภาวะนั้นแต่ถ้ารู้สึกมันสงบเฉยๆเนี่ยเป็นศาสนาของความสงบเป็นสมถะนี่แต่ยังไม่เป็นวิปัสนาแต่ถ้าอยู่กับประเพณีพิธีกํามนันเป็นอยู่อันนั้นเป็นศาสนาศาสนาประเพณี น, นั้นเป็นเรื่องของประเพณีไม่ใช่พุทธะที่มันเป็นแก่นมันคนละเรื่องกันนั้นเราก็มาเฝ้าดูว่า เมื่อไหร่พุทธภาวะเนี่ยมันที่จะปรากฏเกิดขึ้นกับเราอิธัตทาคาโตโลเกอปัโนความเป็นเองเกิดขึ้นแล้วในจิตนี้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนะที่เกิดมาเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือมันโตจนที่เป็นดอกเป็นผลจิตของเราก็เหมือนกันนะเพราเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราพัฒนาไปพัฒนาจนถ้าเกิดการรู้แจ้งสามารถดับทุกได้นั่นคือเป้าหมายของมนุษย์นะ ไม่ใช่เรามาจมอยู่กอะไรสักอย่างยุ่งเหยิงมันไม่ใช่แบบนั้นคือต้องไปถึงที่สุดของต้นไม้ตัวเนี้เห็นไหมต้นไม้ ต, ต้นเนี่ยมันจเจริญถึงที่สุดของชีวิตมันนะปลูกตัวนี้ก็ต้องออกดอกตัวนี้ออกผลคือจเจริญถึงที่สุดของมันแต่มนุษย์นี่เกิดมาไม่จเจริญถึงที่สุดทางสติปัญญาเราไม่ได้เกิดเลยเกิดแต่รูปกายรูปกายก็เป็น เหมือนต้นไม้นี่เป็นแผลเป็นด่วงเป็นอะไรกัดก่อนตายไปทั้งที่มนุษย์เนี่ยมันสามารถเกิดได้สองทางเกิดทางแรกก็คือเกิดทางรูปประธรรมรูปประกายรูปประธาต์อย่างที่สองเนี่ยมนุษย์เกิดทางนามธรรมาเกิดทางสติปัญญาเกิดการรู้แจ้งอันนี้เราจะรู้จักเองเมื่อเราได้เกิดวันที่เท่าไหร่ตอนเย็นวันที่เท่านั้นเวลาเท่านั้นบ่ายโมงตอนนั้นวินาทีนั้น มันจะจำชัดแจ้งเกิดแจ้งอยู่ในใจเราเวลาวันวันเวลาของการบรรลุทางของการรู้แจ้งเนี่ยแต่การเกิดมาทางพอ่อทางแม่เนี่ยเราไม่รู้พ่อแม่เราบอกว่าเราเกิดมึงเกิดวันจันทร์เดิกก็ว่าวันจันทร์มึงวันอังคารเดิกก็ว่าวันอังคารไปทำพ่อทำแม่แต่ความจริงเรารู้มไหมเราไม่รู้พระพุทธองค์เนี่ยท่านตรัสรู้วันวิสาขะท่านรู้เลยว่าท่านเกิดวันนั้นเกิดภาวะเจ็มแจ้งภาวะทุกมันดับมันหายหรือได้ดวงตายดำวันนั้นเนี่ยท่านรู้เอง แล้ท่านมาบอกกับพวกเราไม่ใช่พ่อแม่ท่านบอกว่าท่านเกิดวันไหนไม่ใช่คือมันเกิดปัญญาขึ้นมาของมันเองมนุษย์เราเกิดมากี่ครั้งเนี่ยได้เกิดครั้งเดียวเกิดทั้งรูปอย่างเดียวแล้วตายนะไม่มีภาวะที่สองที่เรียกว่าประสูติเนี่ยเกิดกับจิตเราเลยจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยอยู่แค่นั้น อันนี้เรามาทาหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ให้ดีที่สุดเราจะไม่ให้มันอยู่เพียงแค่ให้กิเลสมาคนใจเราคนไปคนมาวนไปวนมานี่เราไม่เอาแล้วอันนี้เราเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนแปลงภาวะอันนี้จากที่ไม่รู้ไปสู่ความเป็นผู้รู้จากที่ไม่เคยเห็นไปสู่ภาวะของการเห็น ดังนั้นในส่วนหนึ่งสิ่งที่ควรจะมีจะเป็นครข้างนอกนะฮะในโมงโคลสาสบดเนี่ยเราไปหาคบบัณฑิตซะบัณฑิตก็คือกัลยาณมิตรผู้รู้ธรรมมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นต้นที่จะสามารถชี้นำชี้บอกเราไปสู่ทางค้นทุกเนี่ยเราไปฟังซะสุขโขมนุสสปฏิลาโภสุขโขมนุสสะปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษ มีเขนขาตีนมืออวัยวะครบเป็นเรื่องยากยากนะท่านทั้งหลายนี่มีดีแล้วที่มีป่านเนี่ยอวัยวะเขนขาตีนมือมีมีแล้วแต่พอมันมีแล้วเนี่ยมันจะมีโรคภัยขค่เจ็บ เ, เข้ามานะจะเพิ่งไปหาอารมณ์มาใส่หาความรักความจังมาผูกพันวา ย, ยุงยากหลายคนนะที่เขาไม่สมประกอบเราปัจจุบันเนี่ยโลตาเคยพบพวกหมอนี่หลายครอบครัวปัจจุบัน ลูกเขามีปัญหาเป็นออทิสติกเยอะเดี๋ยวนี้ส่วนมากเห็นเกิดกับพวกหมอนะเขาพาลูกไปลดน้ำมนต์อยู่หลวงตาว่าจะเปลี่ยนอาชีพทเทศเป็นปลดน้ำมนต์รักษาโรคออทิสติก autistic. จริงๆก็เขาก็เรียกว่าอะ มาให้เราเทศเราสอนเราบอกเรากล่าวลดน้ำมนตด้วยอะไรด้วยให้เกิดการปลองนะ่ะคือเขาข้อรู้อมาสักสองสามคนมันต้องมีคนหนึ่งในนั้นมันเป็นหมอสิบคนนี้ต้องเป็นคนหนึ่งแต่ไม่มีใครกล้าวิจัยเขาไปวิจัยหมอมันจะได้เลยมันจะให้ความร่วมมือเลยมันจะด่าหัวเอานะ่นะอัตราตัวตนเขายิ่งสูงกว่าคนธรรมดาดังนั้น ปัจจุบันเนี่ยยาก đấy, ที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมประกอบเนี่ย <c oughs> ท่านทั้งหลายเกิดมาถือว่าดีแล้วมีหน้ำซ้ำท่านยังมีสัมมาทิฏฐิในน้อยในตัวเองยังมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมแต่มาที่นี่นะอาจจะงุหงิดอึดัดขันเครื่องเพราะหลงตาอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพวกเธอนนะรักษาใจไม่ได้ทูกผิดอะไรกับเรื่องเราเราก็เป็นทุกข์พอเราเนะ น, นั้น สุขโคมนุษย์สัปฏิลาโภการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นของยากยากนะยากยากยากันจะไปคิดอะไรมันมากมันมีความรู้สึกตัวนี่ก็เอาละอย่าอยากสวยอยากงามอยาไปต่อเล็ดต่อผมต่อคิ้วต่อคางดึงหน้าดึงหลังไอสิ่งที่มีเนเอาปฏิบัติทมเพื่อให้มันดับทุกข์ให้ได้เถอะ ย่าให้มันมีตัวตนมันให้มันมากกว่านี้เลยนะฝึกเอทอะทําตัวเองให้ม่าลดน้อยลง น, น้อยลงจากที่เคยหลงมามากเนี่ยปล่อยมันเถอะวางมันเถอะควรจะแสวงหาตัวเองแล้วละ่ะเมื่อก่อนเราหาเรื่องอื่นนะหาความสุขความสุขมีไหมมันไม่มีมันได้แต่ความทุกข์นะได้แต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา หาแต่รู้สึกว่าจะต้องปรงละจะต้องปรงละพะมันไม่เที่ยงนะเฮ้ย <c oughs> มันไม่น่าจะอย่างนี้เลยนะเห็นไหมได้อะไรมาก็รู้สึกว่าแค่นั้นนะมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยแล้วมีไหมมีปัญญาพอที่จะปล่อยวางเป็นไหมไม่มีนะมีแต่ยึดติดมีแต่ผูกพันเนะนี่ยคือมนุษย์ที่เกิดมาเพื่อหลงเหรอไม่ใช่เกิดมาเพื่อรู้ นี่การมีอัตภาพมีอัตภาพมีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายสุขขงังมัจจานะชีวิตต่างการอยู่อย่างสะดวกสบายเป็นของยากเกิดมาแล้วมีอัตภาพก็ดีระดับหนึ่งจะอยู่แบบสะดวกสบายเนี่ยเป็นของยากอีกบางคนยากจนแรนแคนนะ่น ประเทศไทยโดยภาพรวมเราไปดูทางป่าทางเขาทางโน่นทางนี้นี่ปกติธรรมดาหลวงตาว่าประเทศไทยในผีตองเหลืองเนี่ยยังดีกว่าคนในประเทศอินเดียนะประเทศอินเดียเราไปดูปัจจุบันนี้ก็ยังแย่นะแย่กว่าผีตองเหลืองบ้านเรานะผีตองเหลืองบ้านเราในยังมีคนบริจาคอยังคนงน่นคนนี้มูลนิี่นั่นมูลนที่นี่สอดแทรกเข้ามาคนป่ า, ค น, ปาคนเขาค น, าคนกระเหลี่ยงคนชาวดอยพวกนี้ยังมีความสะดวกกว่า คนจันทานในประเทศอินเดียปัจจุบันนะชีวิตเขาน่าสงสารมากปีตองเหลืองบ้านเราประหวมวดเต็มอาหารการกินเพียบส่วมเขาก็ไปสร้างให้แต่มันไม่กล้าขี้ใสหลังคาบ้านมันก็ทำดีมากปัญญามาลงตางก็เห็นนะปัญญาของปีตองเหลืองก็มีแค่ เขาจะฝังหลักไม้ไผ่นะหลังไม้แล้วเขาก็เอาอะไรไม้มาพาดมันบาดปรูมันไว้แล้วเอาสรักนี่สอดเข้าไปบาดข้างบนอีกเวลาฝนตกมามันเลื่อนขึ้นมาสอดข้างบนเหมือนเตียงมนันนะมันสอดขึ้นมาข้างบนแล้วก็นอนข้างบนดีกพอฝนตกมากก็ตอดอกสอดข้างบนมีปัญญาแค่นั้นนะ่ะดำ แง่ก็ร้องก็เ่งตัวเล็กๆชอบถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจเวลาเราไปถือกล้อ ง, งเราเกันมาดียมอยากถ่ายรูปมันว่ามันมีรูปมันอยู่ในนั้นตัวนี้ออกมาผสมตัวนั้นตัวนั้นออกมาผสมตัวนี้ผสมกันวุ่นวายไปหมดเลยนะมันผิดผิดยีนนะ มันผสมกันภายในเผ่าพันธุ์เนี่ยเอาไปมาตัวเล็กลงเล็กลงตัวหลอดตัวเล็กตัวน้อยตัวนั้นตัวนี้โคโมโซมมันผิดเพี้ยผิดอะไรเงี้ยเอาวันลดลงลดลงเดือนเล็กๆน้อยๆก็หล่อมแกร่งไปคือไม่มีความคิดไม่มีอะไรแต่ก็อยากพัฒนาเขาขึ้นมาเขาเราเนี่ยพวกเรานี่เผ่าพันธุ์เราก็แบบนั้นแหละแต่ก่อนเนี่ยก็ค่อยพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้น พออยู่ในประเทศอินเดียสติปัญญาเหมือนมีนะแต่ความเป็นอยู่นะทุกข์ยากแดนแคนผีต้องเหลืองเนี่ยหัวสุกก็ไปในนะผ้าห่มมันไม่รู้จักตากมนะั้ยางไม่เป็นนะตากเพราห่มไม่เป็นนะนอนเหมือนหมานี่นอนเหมือนหมาไม่เก็บผ้าห่มสักทีผีต้องเหลืองนอนท์รอกตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่เคยเก็บผ้าห่มเลย ตากูก็ไม่เคยเอาออกมาตากเนี่ยมอาตาไปเึงไปไม่เคยเห็นมันตากผ้าเลยเนะปีตรงเหลืองเนี่ยเจ็ดวันมันก็ไว้อยู่อย่างนั้นแหละพอนย่อยังกับผ้ามันออกมาจากบ้านทั้งที่มันยืมเขาปีตรงเหลืองนลยนะ เมื่มันจะรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรแดดก็แดดตัวมันยังเอกมาตากแดดนะแต่พระองมของวัดนี่มีต้องเหลืองมันไม่ตากให้ <c oughs> เพราะน่าคิดนะตอนเช้าตอนเย็นมาก็ไปมันก็หัวสุกเข้าไปมันมีกินกินหน่อยมันก็เอาจมูกของมันไปพาดแค่นี้รุ่นหนึ่งผ่านไปก็รุ่นสองมาก็ยืมกันมา <c oughs> อ่านนี่ รุ่นสามรุนสี่มันก็บนนะเฮ้ยผ้าทาไมมันเย็นเย็นขอบมันเนี่ยที่ไหนได้กี่ใครเต็มขอบมันเนยเย็นเย็นไม่ซักไม่ดูแลเลยนะไปอยู่เขาโอ้เป็นอย่างนี้นะชีวิตเข า, าเขาจะกองไว้เลยมันอยู่ข้างเขาเมาไฟขี้ไฟเตาไฟก็ขเขานั่งนี่แหละ กินหมกมันนี้เขาก็นอนเนี้องค์วะุกก็ไปในนี้เหมือนเหมือนหมานอนนะหมามันนอนอยังไงมันลุกไปก็ลุกไปแบบนั้นแหละแล้วเข้ามานอนก็นอนแบบนั้นไม่มีอนามัยไม่มีอะไรพวกมิจนารีฝรั่งพยายามที่จะสอนพยายามเนี่ยนำหนึงนึงนึ ง, น ง, นงแต่มันคือกว่ามันจะเจริญเติบโตเนี่ยคือต้องใช้เวลามากนะรู้ตาว่ามันก็ดีกว่าลิงนิดนึง นั้นเองนั่นพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่พัฒนาแล้วนะพัฒนาแล้วปีต้องเหลืองนะไม่จบปอตรีปอตรีนะมันไม่จบเรานี่จบการศึกษามีวัฒนธรรมนะมนุษย์ทำให้คนมนุษย์เนี่ย ต่างจากสัตว์ตรงที่มีวัฒนธรรมวัฒนธรรมการกินการอยู่การนุ่งห่มการอะไรต่างเนี่ยนี่คือวัฒนธรรมมันแยกออกจากความเป็นสัตว์ไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้สันชาตยานมันแยกออกเลยิ่งมนุษย์ที่พัฒนาถึงที่สุดเนี่ยคือพระพุทธเจ้าจนําว่ารู้แจ้งถึงที่สุดเป็นอริยะไปเลยเนี่ยเราจะพัฒนาตัวเราเองเนี่ยเป็นมนุษย์แบบรู้แจ้งถึงที่สุดของทุกข์ไม่ใช่เราแค่วัฒนธรรมตื้นๆ กรเพณนีน้อยๆเนี่ยเราไม่เอาอยู่แค่นั้นเนี่ยเราจะมุ่งไปข้างหน้าไปสู่การสิ้นภพสิ้นชาติที่เราหลงมาเนี่ยดังนั้นก็อาศัยการศึกษานี่แหละจึงบอกว่าเออในสมัยใดพบใดชาติใดที่มนุษย์ได้เกิดมาได้พบพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นการดี สุขโขพุทธานมุปาโทการเกิดขึ้นของพระพุทธกิจโฉพุทธานมุปาโถการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพบแต่ละสมัยแต่ละครั้งแต่ละคราแต่ละยุคแต่ละกั บ, กบเป็นเรื่องที่ยากมากนนี่เขาก็ตั้งเอาไวว่าอ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้แล้วในพัทกับเนี่ยเกิดมาแล้วได้สี่องค์พัทกับเนี่ยจะมียุห้าองค์ ยังเหลืออีกองหนึ่งที่จะมาสั่งสอนเนี่ยเขาว่านะศาสนาองค์ที่ผ่านมาเนี่ยของวิบัตศีเนี่ยแปด0มืนปีศาสนาตรงนี้ห้าพันปีมีแต่คนขี้รักขี้ขโมยเพราะศาสนาที่ถูกสาปมาห้าพันปีก็จะหมดต่อไปศาสนาของพระสีอาน ขั้งหน้าเนี่ยสองแสนปีมันจะมีไม้ประศรีอ่านอันเขาพูดเขาเปรียบเทียบให้เราฟังให้เราได้ศึกษาตั้งแต่ตั้งเกิดโลกนี้มาเนี่ยตั้งแต่เกิดโลกนี้มานะในคำพี์เขาเขียนเอาไว้คำพีอย่าลืมนะว่าคำพีเพราะผู้เลี้ยงตายไปแล้ว สามร้อยสี่สิบห้าปีนะจึงมาตั้งว่าพระพุทธเจ้าเล่าว่าพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าไม่รู้ใครแล้วมันเกิดทันพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าตายไปแล้วสามร้อยกว่าปีแล้วแต่มาเขียนว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่ามีพระพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นในโลกนี้ในโลกใบนี้เนี่ยยี่สิบแปดองมาถึงองเนี่ยมียี่สิบแปดองถ้าฟังแบบนี้แล้วฟังดีเนาะ ไล่ตั้งแต่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าชื่อว่าสิกิตสปินามัตุสักยปุตสลิมโตสิกิตก็ไล่มาไล่มาไล่เระทุมมุตต์ปะทุมโมทำมาว่ารวมทั้งอันนี้ด้วยนะทีปังก่อน ที่ปังกรนี่คือชื่อของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าที่ปังกรนแล้วก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างจนถึงนี่แหละกะกุสันโธกะกุสันโธโกกะกุสันโธสัตถวาโหโกนาคัมโนรนันจโหโวกัสปโวสิริสัมปันโนโคตโมสักกยปุงคโว โคตโมหรือพระโคตโมในในอยู pequeña, ่ที heute, ่ตระกูลของสักกายสักกายอยู่ในตระกูลของสักยมุนีสักยปุงคัปโอเอเตจันเยจัสมุตาอเนกสตตูกตโยสัปปิอุตตาอสมะสมาสัปปิปุตตามตติกาสัปปิตสัพพลูเตตาเอสา สุภะกตาเอกเขาก็เขียนประกระท่องไปตามเขานะอันนี้เขาจะบอกเผาพันพระพุทธเจ้านะมีกี่เผ่าพันเกิดมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยกว่าจะมาถึงเราเนี่ยนังการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านะเป็นการยากเข้ามาพรกว่าพาระพุทธเจ้าเป็นการยากเขาก็เล่า ว, ว่าบ้านกว่าจะเกิดมาเท่าไหร่เท่าไหร่บอมเป็นกี่แสนกี่ชาติกี่ล้านกลับเนี่ยเพื่อจะมาถึงเนี่ยโอ้ยากมากเนี่ย แต่ในความไป็นยิ่งหมายเขาว่าการเกิดของพุทธในจิตเราเนี่ยเป็นของยากไม่ใช่เกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านะนะพวกมหาญาณเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าพุทธเองเป็นล้ลานล้านพุทธในมีมากกว่าเม็ดทรายในทะเลอีกนับไม่ถ้วนนะแต่มหาอินยานในบอกว่ามียี่สิบแปดองค์ ของเขาน่นับเท่าของเม็ดทรายคติธรรมของมหายานเขาจะพยายามทําตัวเป็นพระโพธิสัตว์ความหมายเห ม, เหมือนกันนะปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่เขาจะแยกเป็นในคําบีบว่าเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือผู้ที่ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป กำหนดศาสนาเราเท่าไหร่นะอ้าวสมมติว่าองค์นี้เอาห้าพันปีคนนี้ก็จะมาตัดสุปเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ตรงนี้มี 80,000 ปีถ้าเราตั้งจิตตะที่ฐานที่หลังเขาก็หลังองค์นั้นไปหลังองค์ 80,000 ปีไปถ้าหลังองค์นั้นได้อีกแสนปีเราอธิฐานเป็นคนที่ห้าเราก็รอเขาแป0 0 0นปีบวกคนนี้มาอีกไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆไปเรื่อยๆไป ถ้าสมว่ามีพระพุทธเจ้าเขาเป็นมีพระโพธิสัตว์อธิษฐานแล้วประมาณสักล้านองค์ล่ะเราก็ไปต่อล้านเอ็ดนะคือไม่ยอมตัดสู้พวกเนี้ยเขาบอกว่าคติธรรมของพระเขาจะไม่ตัดสู้พระโพธิสัตว์เนี่ยรอเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะถ้าตัดสู้รู้แจ้งเลยเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเย จังไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเท่าไหร่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าจึงจะได้บุญมากนั้นพวกนี้จะไม่ตัดสุลุไม่ยังไม่ตัดสุลุคือจะรอเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้นั่นก็บำเพ็ญ บ, บา ร, รมีไปเรื่อยๆบำเพ็ญบารมีไปเรื่อยๆเบล่าว่าเอาทำไมไม่ตั้งใจปฏิบัติตามเพื่อบรุษตามยังไม่อยากเป็นยังไม่อยากบรรลุจะรอเป็นพระพุทธเจ้ายเขาจะมีเหตุผลอ้างจะรอเป็นพระพุทธเจ้านะ แต่ความเป็นยิงก็คือขี้เกียจปฏิบัตินะขี้เกียจปฏิบัติรีบปฏิบัติซะสิโอไม่เป็นไรก่อนนอนเท่าก่อนจะรอเป็นพระพุทธเจ้าจะตั้งตัวเป็นพระโพธิสัตว์พโพธิสัตว์ก็คือสัตว์ที่มีในในคุณธรรมของพระโพธิสัตย์เนี่ยเขาเข่งคัดมากนะไม่ใช่ธรรมดานะคือทําถ้าทําผิดพลาดอะไรบ้างเนี่ยเขาจะ ย, ยกถือว่าเขาบําเพ็ญตนเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ธรรมดานั้นก็ไอ้อภัยอภัยตลอดเวลาคือจะทำเพื่อมหาชนเพื่อสังคมไปเรื่อยๆเรื่อยๆรๆนั้นเราจะเห็นพระโพธิสัตว์นั้นช่วยคนพระโพธิสัตว์นี่ช่วยคนเป็นพระโพธิสัตว์ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ไปเรื่อยๆแต่ในความหมายของหินญาณเนี่ยจะหมายถึงคนใดก็ตามที่มีสภาวะของความรู้ตัว ได้สติแล้วเนี่ยคือพุท ธ, ธาภาวะคือได้ดวงตาเห็นทาแล้วนะ่ยเขาเรียกว่าโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์คือสัตว์ที่มีตัวโพธิมีสุภธะธสภาวะมีภาวะของการจะรู้แจ้งถึงที่สุดทุก์นี่อยู่ในตัวแล้วเริ่มมีละเริ่มมีเพชรเม็ดหนึ่งขึ้นมาในใจละคนคนเนี้ยเริ่มมีตัวรู้อยู่ในใจละสมัยก่อนไม่มีนะ สนุกสนานเพลิดเพลินไปแต่พอปฏิบัติทําเกิดการรู้แจ้งแล้วเขามีตัวนี้ขึ้นมาในตัวเขาเองเนี่ยตัวรู้อันเนี่ยคนนี้เรียกว่าเป็นโพธิสัตว์อันเวลาคนนี้เขาจะช่วยคนการช่วยคนเนี่ยช่วยให้พ้นทุกข์แต่แต่ไม่ได้หมายว่าให้พ้นทุกจากหนี้สินนะช่วยให้คนพ้นทุก์คือพ้นจากความคิดความปรุงแต่งเนี่ยคือชี้นามาสู่พุทธวิธีพุทธวิธีเนี่ย ที่นมาตอนนี้พยายามช่วยเหลือคนได้มาทางทางการรู้แจ้งให้เข้าสู่เส้นทางของอริยมรรคเนี่ยเขาจะแนะนําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆส อ, อนเทศสอนไปเรื่อยๆภาษาบ้านเราก็คือเป็นบิดัสนูน่ะ น, นะคือท่านไม่เน้นเพื่อตัวเองรู้อยู่เส้นทางสู่การดับทุกข์แต่เน้นการช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่ น, ช, น, น, นช่วยคนนั้นช่วยคนนี้บอกกล่าวแนะนา อันเวลาเราปฏิบัติรมบางทีท่านทั้งหลายก็อยากเป็นพระโพธิสัตว์แล้วนะได้รู้น้อยๆฟังเทศไม่กลับไปนี่กุจะไปบอกคนนั้นนะเนี่ยพระโพธิสัตว์มันเริ่มมาแล้ะเมื่อก่อนนี่ไม่เคยนะถ้าได้อย่างอื่นเนี่ยมันไม่อยากไปบอกเขานะทํามานี้ได้เพชรนี่จะบอกคนไหมไม่บอกได้เงินได้ทองบอกไหมไม่มีอ ม, มีบอกแต่แปลกว่าได้ทุกทุเ น, นี่ได้ทุกมากๆกลับอยากบอกคนอ ได้มีความทุกข์เนี่ยรู้สึกว่าการที่เราได้เอาชนะความทุกข์รู้สึกมันมีความสุขนะมันแปลกประหลาดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนั้นนะเกิดความสบาย อ, อกสบายใจเกิดรู้สึกโปร่งเกิดโลง่งเกิดจิตใจดีขึ้นมานะนะบางทีเอาชนะแค่ความม่่งได้ก็น้ำตาไหลโอ๊ยภูมิโบกพื่นโบกพื้ใจกูโอ้ ย, ออออยดีใจสุด เ, เกินนะเอาชนะความม่วงได้ ตั้งแต่เกิดมากูไม่เคยเอาชนะมันสักทีเพิ่งชนะได้เนี่ยก็อยากไปบอกคนนั้นเดี๋ยวไปบอกคนนี้โอยฉันทําได้แล้วนะฉันทําได้แล้วนะเนี่ยมันดีใจนะมันเป็นเอฮิปัสซิโกอยากให้คนเห็นถ้าเอาชนะได้มันดีขนาดไหนเนี่ยเอาชนะความคิดปล่อยวางอารมณ์ได้มันสุขขนาดไหนมันหายทุกขนาดไหนเนี่ยมันเริ่มมีโพธิ์ขึ้นมาในใจน้อยแล้วอันนี้เป็นอะไรเป็นสาธารณธรรมเนี่ย ธรรมที่เป็นสามัญในพัะตรปิฎกเขาจะมีสามัญยผลสูตรผลที่เกิดเสมอกันใครก็ตามที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานนะเจ้านายลูกน้องพระสงฆ์ญาติโยมถ้าปฏิบัติจเจริญสติปัฏฐานสี่ละลึกรู้เนี่ยมันก็จะเกิด โพดชงเกิดการรู้แจ้งเกิดวิมุตติวิโมกเกิดนิพพานเหมือนกันเป็นโสดาบันเป็นสักกิทาเป็นอนาคารู้แจ้งเป็นพระลานเหมือนกันมีผลเสมอกันถ้าปฏิบัติทำอย่างเดียวกันนีมันไม่เลือกว่าคนนี้มีตระกูลสูงคนนี้ตระกูลต่ำไม่คือทําเหมือนกันเนี่ยจับสติเหมือนกันก็ย่ย อ, ยอมเกิดผลเหมือนกันในสามัญญผลสุด ไม่มีใครดีกว่าใครไม่มีใครบอกโอ้ยจันทานปฏิบัติไม่ได้นะกษัตริย์ปฏิบัติได้พรามณ์ปฏิบัติได้แต่ะุูสูงตะุะกูลต่ามันไม่เกี่ยวกันเมื่อไหร่ที่ท่านทั้งหลายเดินกําหนดความรู้สึกตัวไม่ว่าท่านจะทําในวัดก็ตามทําในบ้านก็ทำขอแต่เดินอยู่กับปัจจุบันเนี่ยการรู้แจ้งก็เกิดขึ้นได้นะเป็นอากาลิโกไม่เลือกเวลาสมัยพุทธกาลเป็นยังไงสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนี้ สมัยหลวงพ่อเทียนบรรลุทำยังไงเราปฏิบัติทำถ้าทําเหมือนที่ท่านสอนก็เกิดเหมือนกันอย่างนั้นสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้อัดเทไปไว้นี่จะพระอานน์ถ่ายทอดมาแต่ปัจจุบันนี้หลวงพ่อเทียนพูดอา้าวมีเทป อ, อัดไปมีวิดีโออัดไว้มาฉายให้ดูได้ยิ่งดีกว่านั้นเป็นการสอนทำถ่ายทอดแบบตรงเลยจากต้นตำรับ ท่านพูดก็มาสู่เราเลยเนี่ยเราก็าเกิดความรู้ความเข้าใจตามนั้นโอ้ oh, เป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยอืดังนั้นสภาวะจิตที่มันปรากฏเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็าสามารถไปบอกคนโน้นบอกคนนี้ไปเรื่อยๆที่นำไปอันนี้เขาเรียกว่า JBP จึงบอกเพื่อน จาไปซื้อสีมาทาวัดเห็นเขาเขียนไว้เราก็บอกกันต่อๆไปบอกคนนั้นบอกคนนี้บอกอยังไงบอกให้ออกจากทุกเราทำแทนเขาได้ไหมไม่ได้กินแทนไม่ได้ทำแทนไม่ได้อันนี้ต้องทำเองบุญบุญ น, นี่บ่มีไผยปันแจกแง่กอกบไวยคือดังไหม่ปีงป่า บุญบุญนี่บ่มีไผ่ปันแต่งคือกับเฮากินเข่าเฮากินเฮากะอิ่มมันไม่เป็ียนอิ่มท้องคนอื่นที่ไม่กิน <S <S เหมือนกับกินยาถ่ายประญานนี่แหละมีไหมคนนี้กินแล้วคนนั้นถ่ายไม่มีคุณกินยาคุณก็ต้องถ่ายเองเหมือนกันถ้าเราปฏิบัติเองมันก็ต้องออกจากเราเนี่ยทุกมันอยู่ที่เรา เรารักษาตัวเรานี้เรามาปฏิบัติธรรมพุทธธรรมก็เหมือนกันแต่เป็นพุทธโอสถถ้าเรามาปฏิบัติเราก็ถ่ายทุกนี่ออกไปได้สํารอกกิเลสไปได้ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแม่ได้ด้วยไหมไม่ได้แม่ถ้าอยากได้แม่ก็ต้องมาปฏิบัติเอาเองลูกอยากดับทุกลูกก็มาปฏิบัติเอาเองอัตติอัตโนโนาโถโกหินาโถโปรสิยาอัตตาสุทันเตนะนาถังลรพิตุลพัง ใครอื่นใครคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งทำแทนกันได้เนี่ยพุทธธรรมเนี่ยทำใครทำมันอย่างเราปฏิบัติธรรมเนี่ยอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับเจ้ากำนายเวรได้ไหมมันจะไม่ขัดกันกับคำว่าอัาตติอัตโนโนาโถหรือฮึบางคนจะมาถามแห่เมตตาให้คนนี้ได้ไหม ก็ลองดูดิเอ้าภรรยาจ้ะเธอนั่งตรงนี้นะฉันจะแผ่เมตตาให้นะฉันจะกินข้าวอุทิศให้กับเธอนะเธอดูฉันกินก็ได้นะเธอจะอิ่มขึ้นมาไหมบาคนว่ามันว่าเฮ้ยพี่ออกไปดีกว่าฉันกินเอาเองนะมันอิ่มเองเพราะมันทำมาเองนะมันแผ่ให้กันมันไม่ค่อยได้นะตัวใครตัวมันนะไอเนี่ยอืม เป็นไว้แต่คนทำใจโอ้ยลูกหลานเราไปปฏิบัติธรรมด้วยดีใจเขาเขาชื่นชมเขาเขากลับมาเขา้าผ่องซ้ายโอ้ยเราก็พอ ย, ยินดีด้วยอะไประมาณนี้มันพลอยดีใจได้หน่วยหนึงเหมือนหลวงพ่เทียนท่านว่านะจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัี้มบันนี้มันรับไม่ได้นะมันไม่มีนะมันไม่ส่งให้นะต้องทำเอาเองใครกินคนนั้นก็อิ่มเหมือนอาหารก็อย่างว่าแล้วกินแทนกันไม่ได้ ต้องอาศัยการฝึกฝนด้วยตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนนี้ก็จะเข้าถึงภาวะธรรมนิ้คนนี้ปฏิบัติทมก็เข้าถึงทำภาวะธรรมนิยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโสดาบันสกิทาคาอนาคาตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเๆเข้าถึงอ้าวอนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษา จบอุดมศึกษากลับมาไปไหนะคนก็รับทํางานเอาจบแล้วนี่จบแล้วจบแล้วจบปริญญาตรีแล้วการศึกษาแล้วนี่ปริญญาตรีปริญญาตรีคืออะไรก็รู้ทีแรกเพราะพอรู้เห็นความคิดต้องกําหนดรู้ก่อจะดับได้คนหลายรอบอยังต่ํากว่ า, ามรอบละความคิดที่มากําหนดรู้มันไม่รู้มันไม่ขาดตัดสามครั้งถึงขาด คือต้องรู้แจ้งสามครั้งแต่เห็นทำแล้วระดับ1นงปริญญาโทโทรก็แปลว่าสองกำหนดสองครั้งปริญญาเอกครั้งเดียวมันมาเห็นวับหายเลยแต่ตอนนี้มันเป็นไ้ยปริญญาตรีโทเองกเป็นไปนั้นไหมไม่เป็นปริญญาเอกก็ยิ่งฟงซ่านด็อกเตอร์ก็ยิ่งยิ่งฟงซ่านยิ่งไม่รู้ความคิดยิ่งอัตราตัวตนยิ่งอะไรเยอะแยะมาก ปัญญาตีนี่อยยังชั่วหน่อยยังฟังฟางยังไม่เท่าไหร่ปัญญาโทก็ตัวตนขึ้นมาระดับเนื่งแต่ในความหมายของพระเจ้าว่าปัญญาปัญญาเนี่ยหมายถึงการกำหนดรู้การกำหนดรู้ปริญญาการรู้รอบรู้รอบจัดการรอบรู้ในกองสังขารในความปรุงแต่งทุกอย่างในชื่อว่าเป็นปัญญาทีนี้เรารอบรู้มันไม่ปรุงแต่งมาเราเห็นทันไหมรู้เท่าทันไหมรอบจัดไหมไม่มันปรุงแต่งไปตั้งนานแล้ว นั้นปริญญาญาต์ปริญญาเตยเนระปริญญาปหาร น, ป ร, ารนปริญญากำหนดรู้ ก, กําหนดละกําหนดประหารกําหนดประหารคือกําหนดรู้มาเข้ามาเขาว่าเกิดการรู้แจ้งมันดับทุกทั้งหมดเลยนะถอนทั้งยวงออกไปเนี่ยเขาเรียกว่าการดับทุกการทําลายอาสวะกิเลสเนี่ยเห็นไหมพุทธธรรมมันเป็นแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราเอามาใช้เป็นศัพท์ตื้นๆก็เลยพุทธศาสนาเลยไม่เหมือนไม่มีคุณค่าเพราะเราเข้าไม่ถึงแก่นเ